เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของชีวิตไอ้เรืองแพนจรที่กลับไปเยี่ยมยายที่เจ็บหนักอยู่ที่บ้านเกิดการเที่ยวไปเที่ยวมาที่เมืองระยองทาให้ผมต้องไปขึ้นรถเมที่หัวลำาพงบ่อยๆจึงได้พบกับคนอายุธยาที่เขารู้จักผมเข้าพอดีเขาบอกว่ายายผมเจ็บหนักผมใจหายว่าผู้มีพระคุณเจ็บหนักจะมัวทำงานอยู่อีกไม่ได้จะต้องรีบไปเยี่ยมท่านแม้ว่าผมจะมีความขุ่นข้องหมองใจกับผู้หญิงบ้านนั้น ตัวของผมเองก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้สักพักหนึ่งเพื่อที่จะดูแลผู้ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยสำคัญกว่าทางนี้ก็มีพี่ใหญ่แล้วก็นักเกือเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็อาไล่ผมอยู่มากผมเองก็ต้องอาไล่เขามากมายเช่นกันเพราะว่าเคยนอนเคยกินด้วยกันเสมอมาแต่มันจำเป็นจำใจจริงๆต้องจากไปชั่วคราว หน้านี้เป็นหน้าแง้งการเดินทางด้วยเรือจนถึงบ้านผมนั้นไม่ตลอดจะต้องเดินทางเรือไปสุดทางเท่าที่จะไปสุดแค่ไหนแล้วก็เดินทางบกต่อไปอีกเรื่องการเดินทางในทุ่งก็คุ้นเคยกันมาแต่หัวเท่ากำปป้นจะกลัวอะไรอีกผมจึงออกเดินทางทอดแรกไปรถไฟเพื่อที่จะลงที่อยุธยาแล้วลงเรือต่อไปเข้าคลองบางกระแสสู่อำเภออุทยัยต่อเข้าไปอีก จนสุดทางน้ำที่จะไปได้ที่ทุ่งนางชีเสียเวลาก็กินอาหารบ้างเรื่อยๆมาถึงทุ่งนางชีจึงบ่ายมากกว่าจะถึงบ้านแม่จะค่าก็เคยทางดีพอย่างเทา้าเหยียบทุ่งก็ถอนใจยาวแต่ไม่ใช่ถอนใจเพราะท้อถอยการจะต้องย่าทุ่งอีกหลายทุ่งกว่าจะถึงบ้านแต่มันถอนใจออกมาเองอย่างบอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะอะไร อาจจะเกิดจากการทิ้งทุ่งไปนานพอมาได้กลิ่นซังข้าวแห้งกลางนาเสียงนกร้องและก็กลิ่นโคลนสาบควายมันก็ถอนใจออกมาเฉยๆเวลานี้ได้มาเหยียบดินแดนเดิมบ้านเกิดเคยทุ่งมาตั้งแต่เล็กก็ย่ําทุ่งมันอีกการเดินทางแม้จะไกลามากก็จะไม่ย่อท้ออะไรกับมันไปอยู่บางเกอกใช่ว่าจะทํางานนั่งโต๊ะอย่างคนอื่นเขาสเสมอไหร่มันก็ไปสู้งานหนักอย่างเคย งานทำถนนน่ะมันหนักกว่าการเดินเป็นไหนๆผมเดินดุ่มๆไปคนเดียวไม่ได้พบกับใครถึงจะพบก็ไม่รู้จักเพราะว่าทุ่งแถวนี้นานๆจะผ่านมาสักคราวเด็กเลี้ยงควายมันมองผมเพราะเห็นการแต่งกายเรียบร้อยกว่าชาวบ้านชาวนาผมก็มองดูมันและยิ้มให้กับมันเพราะงานที่ทำอยู่น่ะมันก็งานที่ผมเคยทำมาแล้วนึกนึกก็อยากจะเป็นอย่างเก่าอีก บนหลังควายมันก็มีที่รื่นรมที่เคยมาพอนึกถึงควายก็ถอนใจออกมาอีกโดยไม่รู้ตัวหวนนึกไปถึงอีเด็กหญิงรุ่นรุ่นกันที่เคยนั่งหลังควายมาด้วยกันแล้วมันก็สลัดรักไปรักคนอื่นอย่างใจดำแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องไปพบหน้ากันผมจะวางหน้าอย่างไรไอ้คนแพ้รักจะทําหน้าด้านหน้าทนกับมันในท่าไหนนึกแล้วก็ท้อใจถึงหัวตะโกก็พอแดดร่มลมตกคิดถึงพี่ใหญ่จริงๆ ถ้าณเวลานี้เราอยู่ด้วยกันก็คงจะดื่มเหล้าด้วยกันแล้วผมหยุดพักกลางทุ่งงัดเอาขวดเหล้าในกระเป๋าเดินทางออกมาดื่มสะพอแก้กระหายแล้วจึงเดินต่อไปอย่างสบายใจเดินอย่างไม่เร่งร้อนนักคิดว่าถึงบ้านค่า ม, มืดสักก็ดีจะได้ไม่ต้องวางหน้าวางตาอะไรกันกับอีสาวแฟงสักครู่ก็ผ่านเข้าทุ่งบ้านสนามทองและแล้วก็ย่างข้าบันโคกกรวด นับเวลาที่จากบ้านนี้ไปเกือบจะสองปีเพิ่งจะได้เคยไปไหนคนเดียวเคยไปไหนก็มีพี่ใหญ่ไปด้วยเสมอเกิดมาร่อนเดี่ยวก็เลยวังเวงใจไม่ใช่น้อยพอถึงทุ่งหนองไอ้ด่างผมก็เดินชิดชายทุ่งเผอิญว่าสายตาของผมเองก็เหลือบไปชายหมู่ไม้ก็เห็นมีคนเดินบ้างจูงควายกลับบ้านบ้าง ทำให้คิดถึงชีวิตเดิมๆก้มหน้าเฉยเรื่อยมาจนเย็นมากแล้วก็เข้าบ้านที่หมู่บ้านระเขนเห็นคนยืนอยู่คนไม้ชายทุ่งคนหนึ่งผมก้มหน้าเดินผ่านไปพี่เรืองพี่เรืองเสียงผู้หญิงเรียกผมจึงชะงักฝีเท้าแต่ยังไม่กล้าเหลียวไปดูเสียงนั้นทําไมมันเหมือนเสียงอีแฟงหญิงสองใจเหลือเกิน แต่พอเรียกซ้ำอีกผมก็เลยเหลียวไปเพราะคิดว่าคนเรานั้นเสียงมันอาจจะเหมือนกันก็ได้และที่นี่ไม่ใช่บ้านมาโพอีหญิงเหอสมบัติจะมาทําไมที่นี่แต่ครั้นเหลียวไปจริงๆกลับต้องตกใจและกเก้อเขินขึ้นมาทีเดียวไม่รู้ว่าจะยิ้มดีหรือจะบึ้งดีมันก็อีแฟงจริงๆนั่นแหละพี่เรืองกลับมาบ้านแล้วหรอมันถามแต่ผมไม่ตอบใช้การพยักหน้าแทนฉันไม่ได้อยู่บ้านแล้วละ่ะมันพูดต่อ ผมมองมันนิ่งอยู่พยาักหน้าว่ารับรู้แล้วก็หมุนตัวจะออกเดินต่อแต่คิดว่าควรจะถามอะไรดูบ้างเพื่อรู้เรื่องอะไรอะไรยายข้าเป็นยังไงบ้างวะข่าวว่าป่วยไข้ผมถามอย่างแข็งฉันไม่ได้อยู่บ้านจะหนักเบาแค่ไหนฉันก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเจ็บป่วยอยู่มันตอบเอ๊ะผมร้องอย่างโหยนใจแล้วก็มองตามันมันยังไงกันแน่มันเป็นสไพยบ้านนั้น แล้วทำไมมาอยู่แถวนี้หรือว่าพี่พุกเขาย้ายบ้านมาอยู่แถวนี้สงสัยหรอมันพูดผมนิ่งเฉยเยมองหน้ามันเงียบๆบอกให้ก็ได้มันพูดเมื่อเห็นผมนิ่งฉันน่ะเลิกกับพี่พุกแล้วผมได้ยินคำนี้ก็ยิ่งงงไปใหญ่แต่นึกไปอีกทีนึงอีคนนี้คงจะเปลี่ยนใจไปอีกแล้วละมัง่งชาติอีหญิงชอบเปลี่ยนใจมันก็แบบนี้แหละ และผมก็พยักหน้ารับรู้ขยับตัวจะเดินจากไปพี่เรื่องหยุดฟังฉันหน่อยเถอะฉันเข้าใจพี่นะที่พี่จะต่อว่าฉันว่าฉันผิดฉันเลวมันขอร้องอีกความจริงผมจากไปนานก็ควรรู้เรื่องไว้บ้างก็ดีและผัวของเราไปไหนแล้วล่ะผมถามเขากับฉันเลิกกันแล้วมันตอบอย่างรวดเร็วผมยิ่งแน่ใจเลยว่าแม่เจ้าประคุณนี่คงจะรักใครซ้อนเข้าอีกกระมังมันถึงต้องเลิกกัน มีผัวใหม่สินะผมแดกดันเข้าไปนั่นอีแฟงยกมือไหว้ปลุกปลกุกเถอพี่เรืองพี่เรืองอยากเข้าใจฉันผิดแบบนั้นสิฟังฉันก่อนนะพอมีลูกด้วยกันคนหนึ่งเขาก็คิดมีเมีมยใหม่คนนั้นเนี่ยร่ํารวยกว่าฉันส่วนฉันมันยากจนเหมือนขี้ฆ่าเขาผมนึกและสมนําหน้ามันมันเหอนสมบัติอีแฟงเอ้ยสาแก่ใจมึงแล้วไอ้คนอย่างกูมันยากจนมึงก็เลยแผลดรัก บัตรนี้สะสมแล้วสมแก่อีคนใจเรีรวนอย่างมึงเอ้าแล้วลูกมึงล่ะผมถามพ่อเขาเอาไว้ฉันมาคนเดียวอาศัยณนะตุ้มอยู่ก็ดีแล้วนี่อย่าแดกดันฉันเลยพี่เรืองไม่เลวคนถึงกระทิ้งลูกได้หรอกเมื่อเรารักกันก็เลิกกันมามันก็มีแต่ตัวเวลาคิดถึงก็แอบไปเยี่ยมไปฟังเสียงมันอ้อแออ้อแอบ้างร้องไห้บ้างก็ยิ้มให้พอสบายใจได้กลับบ้านได้ บางทีก็ค้างบ้านแม่มันพูดผมฟังเรื่องของมันตอนนี้ก็ชักคลายโกรธลงมาหน่อยหันไปนึกเกลียดพี่พุกที่ทนงตัวว่ามีทรัพย์สมบัติและรูปสวยจะมีคนใหม่อีกสักกี่คนก็ย่อมได้ส่วนตัวของอ e ีแฟงเองซึ่งเป็นลูกของชาวไร่ชาวนายาก จ, จนจะไปทำไมกับเขาเองแอบไปบ่อยๆไม่กลัวพบกับเขาเหรอผมถามส่งๆไปเพราะไม่รู้จะพูดอะไรกลัวทาไมกัน พ่อแม่ฉันก็อยู่ที่นั่นไปหาบ้างไม่ได้เหรอมันตอบเออก็ดีแล้วเอาละวะข้าจะไปละ ว, วันหน้าพบกันผมพูดส่งเดชออกไปอย่างนั้นเองคอยเถอไอเรืองจะมาพบมึงกูเจ็บแล้วจำนักเวลามึงผละกูก็ผละอย่างใจดำกูก็ใจดำเป็นวะเชิญเธอพี่จะขํามมากแล้วถ้าวันไหนฉันไปที่นั่นฉันจะผิวปากเป็นเสียงนกร้องละกันแอบลงมาคุยกันบ้างนะมันร้องสั่งผม ผมก็ร้องตอบไปอย่างขอไปทีแล้วหันหน้าเดินต่อไปเพราะเข้าถิ่นบ้านแล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงมาปโพย่ามาอีกครู่เดียวก็เข้าเ ข, าเขตบ้านพอค่ํา ม, มืดพอดีหมาเห่ากันเกลียวกราวผมออกเสียงเรียกชื่อมันมันจําเสียงผมได้ก็หยุดเห่าและร้องงีด๊ดงีดเข้าหาทันใดก็มีตะเกียงส่องมาจากบนเรือนทั้งตาและพี่พุกร้องทักทายกันเอะอะซึ่งขณะนั้นพอดีกันกับลุงโนดลงบันไดสวนมา แม้โวยไอเรื่องมึงทิ้งตายายและพวกกูไปนึกว่าจะไม่มาซะแล้วลุงโนดว่าผมก็หัวเรออกาะกากไปเมื่อกี้ฉันพบอีแฟงมันผมพูดกับลุงโนดลุงโนดจุปากแล้วเอานิ้วจี้ปากตัวเองผมก็นึกขึ้นได้ว่าเผลอไปผัวเมียเขาโกรธกันอยู่ดันไปออกชื่อเมียเขาพี่พุกอาจจะไม่ทันได้ยินก็เลยชูตะเกียงให้แสงสว่างอยู่บนนอกชานกูไปอาบน้าเดี๋ยวเถวะ ลุงโนดพูดแล้วก็รีบจากไปผมขึ้นบ้านถอดรองเท้าวางกระเป๋าแล้วกราบตาที่เท้าถามหายายรู้ว่าอยู่ข้างในจึงไปกราบเท้าแกที่กำลังนอนอยู่ยายแกว่าแกได้ยินว่าผมมาเพราะว่าตาและพี่พุกร้องทักแกพูดแล้วก็ร้องไห้ผมใจแห้งยายกำลังนอนเจ็บอยู่แล้วมาร้องไห้เพราะผมมาหาทายใจแกไม่ถูกว่าร้องไห้ด้วยดีใจหรือเสียใจ ผมคงนั่งผับเพียบและพนมมืออยู่ใกล้ๆรอว่าแกจะด่าจะว่าอะไรก็เชิญเต็มที่เลยตา ม, มาเตือนให้ไปอาบน้ําถ้ายังไม่ได้กินข้าวก็ให้เข้าครัวหากินเลยผมก็เลยจัดแจงผลัดผ้าลงจากเรือนไปอาบน้ําที่โอ่งตามแบบเก่าอาบแล้วกลับขึ้นเรือนและบอกว่าเรื่องข้าวปลาเนี่ยอิ่มมาแล้วแต่ความจริงเปล่าเลยคอมันตีบตันที่เห็นยายร้องไห้เดี๋ยวนี้ผมเป็นคนติดเหล้าซะแล้วจึงเอาออกจากกระเป๋ามาดื่ม ผมถามอาการของยายจากตาว่าหนักเบาแค่ไหนตาบอกว่าเขายัางชั่วมากแล้วถูกยาของหมอกล่ำเข้าไปข้าวปลาก็กินได้นอนหลับดีผมยกมือท่วมหัวเจ้าประคุณเอ้ยขอให้หายวันหายคืนเถิดแล้วมีการถามทุกสุขดิบตามธรรมเนียมผมได้เล่าความเป็นมาเป็นไปอยู่ในบางกอกให้ฟังตามจริงว่าจากไปทำงานหนักแต่เงินดีกว่าอยู่ที่ทุ่งนา และซ้ำจะได้ผู้ที่มีความเมตตาการุณาที่ระยองให้ที่ทางทำกินอีกตายายก็รองว่าดีแล้วถ้าเงินดีก็พอจะได้มีเก็บส่วนบ้านนาน่ะถ้าไม่มีที่ดินมากๆมันก็ไม่ค่อยจะพอกินผมก็เลยพูดกับตาและยายบอกว่าจะลองบุก ง, งานที่ระยองสักสองสาปีคงจะดีขึ้นคุยกันพอควรแล้วต่างก็นอนกัน รุ่งเช้าผมเข้าครัวเลยเพราะเคยมาแต่เก่าก่อนผมตั้งหม้อข้าวเมื่อข้าวสุกแล้วก็จัดแจงเอากับข้าวต่างๆมาอุ่นไฟเสร็จแล้วก็ถลายลงจากเรือนไปคุยกับลุงโนดป้ากะออมเพราะสงสัยว่าลูกอีแฟงอยู่ที่ไหนเพราะตัวของผมเองก็ไม่เห็นลูกของอีแฟงซึ่งอีแฟงบอกว่าอยู่กับพี่พุกคงจะให้ลุงโนดป้ากะออมเลี้ยงเพราะว่าเป็นตายายของเด็กเฮ้ย เมื่อคืนดันออกชื่ออ e ีแฟงได้พูดเป็นเล่นไปลุงโนดพูดเมื่อขึ้นเรือนแกแล้วเออคุณลุงครับยังไงผมก็ขอโทษเธอลุงเผลอปากไปจริงๆผมขอโทษเป็นการใหญ่เพราะไม่คิดว่าผัวเมียเขาจะโกรธกันมากมายอะไรนักจึงได้เอ่ยชื่ออ e ีแฟงขึ้นที่นี่เขากลัวกันจะตายออกชื่อทำไมวะป้าก็ออมว่าเอ๊ะใครกลัวใครกั น, นะป้าผมถามก็กลัวอ e ีแฟงน่ะสิ แล้วยังไงกันนะครับทําไมต้องกลัวอ e ีแฟงด้วยเมื่อวานตอนค่าผมก็พบกับอ e ีแฟงอยู่นะเฮ้ยลุงโนดร้องตาชันอุ่นแล้วเว้ยอย่าพูดเป็นเล่นไปนะมันไม่ดีนะยังไงอ่ะครับอีแฟงมันบอกว่ามันเลิกกับพี่พุกแล้วไปอาศัยณตุ้มอยู่พี่พุกก็เอาลูกไว้มันบอกฉันเมื่อคืนนี้หุยตายแล้วว่าประ อ, อมร้อง อีแฟงมันตายแล้วมันตายทั้งกลมทั้งแม่ทั้งลูกบ้านไอ้ตุ้มที่ไหนมันก็อยู่วัดนี่แหละผมแทบจะร้องออกมาลั่นบ้านและเล่าให้ฟังว่าผมพบกับมันที่ทุ่งโน้นคุยกันจนค่ามันยังบอกผมว่าจะมาหาที่นี่ถ้าหากว่าได้ยินมันผิวปากขึ้นมาก็ขอให้ลงไปหามันไปคุยกับมันบ้างโอ้ยอลวาอีกแล้วอีแฟงลุงโนดร้องมันจะดุใหญ่แล้วนะ ผมครางฮือไปเลยไม่คิดเลยว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เมื่อคืนผมลงไปอาบน้ำข้างล่างอย่างสบายเพราะไม่รู้เรื่องชักหนาวขึ้นมาเลยตอนแรกก็หลงเกลียดพี่พุกว่าริเจ้าชู้ไล่ลูกไล่เมียที่แท้อ e ีแฟงก็เล่นผมเขาแล้วเมื่อก่อนมันมาทุกคืนหลุงโนดพูดมันมาผิวปากไอ้ม้าแถวบ้านมันก็ฮอนกันเกลียวกราวหมดมันหายไปนานแล้วเว้ยยายเองก็เจ็บหนัก ก็เพราะว่ากลัวอีแฟนนี่แหละชั้นแรกก็เสียใจเมื่อมันตายไปลงท้ายมันชักจะแผงลงฤทธิ์มาเรียกไอ้พุกอยู่ทุกคืนกูและชักสันสะท้านมันเอาอะไรต่ออะไรโ ย, ยนขึ้นบนเรือนโครมครามผมกลับมาเรือนตายายอีกและสกิดพี่พุกเพื่อให้ห่างออกจากยายพร้อมกับกระซิบและพูดว่าโธ่แฟนเขาตายก็ไม่บอกฉันบ้างนะพี่พกุกผมพูดขึ้นพี่พุกตาลุกวาวและจุปากห้าม รู้จักใครอ่ะเขาถามอย่างเร็วลุงโนดกับป้าออมผมว่าเมื่อจวนข้ามวานนี้ฉันพบกับเขาที่ทุ่งบางระเขนแล้วก็คุยกันตั้งนานเขาว่าพี่พูกไล่เข้าไปเพราะว่าจะมีเมียใหม่บะแย่เว้ยเมื่อตายใหม่ๆก็มาเรียกกูอยู่ทุกคืนแล้วก็ผิวปากเรียกกูบ้างผมใจหายอีแฟงบอกว่าจะมาผิวปากเรียกผมให้ลงไปหามันถ้าไม่รู้เรื่องเลยดันลงไปหามันนี่ตายแน่ มันเอาตายแน่ๆเรื่องที่อีแฟงบอกจะมาผิวปากเรียกผมผมไม่ได้พูดให้พี่พุกฟังเพราะมันกระดากใจถึงแม้มันจะตายไปแล้วก็ตามเขาก็จะรู้ทันว่าผมมีความในอะไรกันอยู่กับอีแฟงตั้งแต่ก่อนพอตกตอนสายๆตาก็รู้ว่าผมได้ถูกอีแฟงหลอกเอาที่บ้านทุ่งระเขนคุณตาก็มีสีหน้าไม่ค่อยจะสบายใจนักพี่พุกคงจะเล่าให้ตาฟัง ตาก็เลยมาถามผมผมก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตาฟังจนหมดสิ้นทั้งมันมานัดว่าจะมาขอพบมันจะมาเรียกหรือจะมาผิวปากเป็นสัญญาณตาขมวดคิ้วนึกอยู่ในใจน่าประหลาดที่บ้านเราตกเย็นลงในวันนั้นกลับมีสภาพไม่ผิดกับสมัยที่ทิดกล้ามาตายแถวทุ่งเราตกเย็นเข้าก็เก็บของที่จะใช้ขึ้นบ้านหมดค่าแล้วไม่มีใครลงพื้นดินเลยสักคน ผมถามตาถึงศพของอ e ีแฟนก็ได้ความว่ารีบเผาไปแล้วทั้งสดๆธรรมดาตาผมไม่เคยเกรงกลัวปีศาจอย่างอื่นที่กับอ e ีแฟนนี่ดูตาชักจะเกรงเกรงมันพี่พุกเองแต่ก่อนเขาก็ดูกล้าหาญดีสมัยทิดกล้าเขาดูไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นักแต่พอมาดนเมียของตัวเองกลับดูหวาดหวาดเกรงเกรงตามกริยาที่แสดงออกมาแม้จะทาไม่กลัวเท่าไหร่แต่ก็เห็นชัดว่าทั้งกลัวทั้งเกรงมันมาก จิตมันคงฝังอยู่จึงวนเวียนมาบ่อยๆตัวของผมเองก็เฝ้าแต่ภาวนาขอให้มันลืมผมซะอย่างเก่าอย่าเกิดมาพิสวัดผมเข้าอีกเลยขอให้มันเกลียดผมเถอะผมจะค้างที่นี่พอยายสบายดีก็จะรีบกลับหนักใจก็กลัวว่าคืนนี้มันจะมาผิวปากเรียกผมอย่าไปขานรับมันเชีวนะถ้ามันเรียกชื่อเนี่ยตาแกเตือนผมเรื่องแบบนี้เคยได้ยินคนแก่ๆพูดกันว่า ถ้ามีเสียงใครมาเรียกชื่อเราในยามค่ำคืนดึกดื่นอย่าออกปากขานรับต้องฟังให้แน่ใจว่าเป็นเสียงของใครถ้าผุนผันขานรับถ้าเป็นเสียงผีเรียกก็จะเจ็บตายไปเลยผมกลัวตัวเองจะเผลอปากขานรับไปง่ายๆโดยปากไวก็แย่กันเท่านั้นเองอย่างไรๆจะต้องเอาเหล้าเป็นที่พึ่งผมจึงบอกกับพี่พุกว่าจะแอบไปซื้อเหล้ามาดื่มกลางคืนพี่พุกก็ฝากซื้อบ้าง ผมผิดใจจริงๆธรรมดาพี่พุกไม่ใช่คนดื่มเหล้าเกิดมาชอบเหล้าก็เห็นจะเพราะความกลัวนั่นเองแต่ตาของผมจะกลัวไม่กลัวแค่ไหนก็ไม่ยอมแตะต้องเหล้าแม้แต่หยดเดียวเลยแต่ครั้งก่อนทราบว่าแกก็หนักมาอย่างมากเรื่องของสุรายาเมาทั้งหลายจึงมาหยุดสเสมอตอนแก่ส่วนผมนะ่ยอย่าพูดเลยถึงจะเคยถูกมาหลายคราวที่บางกอกแต่ก็ไม่เคยผ่านผีชนิดตายทั้งกลมที่เขาว่าดุนัก ร้ายนักพอกินข้าวเย็นเสร็จผมก็รีบอาบน้ำตั้งแต่ยังมีแสงพระอาทิตย์คิดไว้ว่าพอสิ้นแสงอาทิตย์แล้วเยาวังว่าไอเรือนงจะลงมาข้างล่างให้เจอเอาพระมันด่าเข้าพี่พุกก็ทำแบบเดียวกันกับผมคือเตรียมพร้อมไม่ยอมลงจากเรือนนึกถึงเมื่อคืนนี้ลุงโนดรีบกลับบ้านอ้างว่าจะรีบไปอาบน้าที่แท้ก็กลัวกลับเรือนไม่ได้ทาทีว่าคล้ายจะกลับมาคุยกับผมอีกเปล่าหายไปตลอดคืน อ๋อมันแบบนี้นี่เองคิดแล้วก็เห็นเป็นเวรเป็นกรรมของผมที่ดันมาเยี่ยมบ้านเกิดในเวลานี้เสียงระฆังวัดย่ำรัวเมื่อชิงพลบช่างสถานใจมาที่วัดเห่าฮอนกันเสียงระงมแล้วไอ้ปืนกับไอ้ด่างใต้ถุนก็หอนรับต่อเข้าไปอีกเล่นเอาผมต้องเหลี้ยวลงมาดูข้างล่างด้วยความระแวงแล้วกะโครงการว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนครั้นจะนอนกับพี่พุกก็เผื่ออีแฟงมันจะมาหาผัวมันละ่ะไม่ได้การ ผมจะต้องนอนห้องกลางคนเดียวตายายนอนห้องในเป็นเพื่อนกันสองคนข้ามลงประเดี๋ยวเดียวมองไปทางบ้านลุงโนดเห็นปิดประตูเงียบกริบมีแสงไฟลอดออกมาจากข้างในเท่านั้นเขาเตรียมพร้อมเหมือนกันทางผมล่ะเตรียมพร้อมเช่นกันพี่พุกปิดประตูนานแล้วและพากันไปคุยกันข้างในห้องยาย ผมก็หาเรื่องสนุกสนุกคุยกันยายนั้นไม่เคยไปบางกอกเลยก็ถามว่าอะไรต่ออะไรที่เคยเห็นมีแต่อยู่ที่เมืองอายุทยาผมก็อธิบายกับแกว่าทางบางเกอกไม่มีของใช้อย่างอายุทยาแล้วและคนที่นั่นเขาจะเป็นอย่างฝรั่งที่ในภาพยนตร์ซะแล้วเจ้านกกู้บนคบไม้พอมันเห็นพวกมนุษย์ดับไฟมืดมันก็ดองขึ้นมา ก, ก, ก, กูกูกูเสียงลึ ก, ลก ในกลางความเงียบคล้ายๆมันเห็นใครมาที่พื้นดินและร้องเตือนภัยว่าระวังนะโว้ยคนที่พวกแกไม่ต้องการพบมันกำลังมาผมนึกละหมันไส้ตัวเองนักเป็นไอลูกเป็นนอกท้องป่าดัานมาทำเป็นขวัญอ่อนนกอย่างนี้ก็มีทั่วไปตามต้นไม้ใหญ่เวลางิบเงียบมันก็จะร้องเป็นธรรมดา คิดอายตัวเองก็เลยแกล้งคุยอะไรต่ออะไรเป็นคนกล้าไปเลยยายก็ถามอะไรๆที่น่าขันเช่นถามว่าที่บางกอกเขาเห็นจะใช้ตะเกียงวอชิงตันอย่างงานวัดกันทั้งนั้นผมก็เลยหัวเราะและก็ไม่กล้าผมเกิดมาก็เคยเห็นไม่กี่ครั้งก็เลิกใช้กันไปแล้วที่บ้านนอกทำไมจะไปมีที่บางกอกยายแกได้ยินว่าชาวบางกอกเนี่ยเล่นมา้าแข่งมา้ากันจนหมดเนื้อหมดตัวแกก็เลยถามว่า บางกอกเนี่ยมันยังมีทุ่งนาให้ม้าวิ่งอยู่อีกหรือเปล่าวะผมบอกแกว่าทางบางกอกเขาทําสนามใหญ่เกือบเท่าเมืองกรุงนี่แหละเป็นที่วิ่งมา้ายายตกใจและฉงนใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่แกก็นิ่งฟังเพราะแกไม่เคยไปบางกอกเราคุยกันสักสามทุ่มกว่าก็นอนกันคุณตาจุดตะเกียงเล็กไว้ตลอดคืนกลางมุ้งนอนอยู่ข้างๆยายผมนอนห้องกลางคนเดียวแต่ก็มิดชิดดี นอนคิดอะไรต่ออะไรไปจนหลับไม่รู้ตัวแต่จะกี่ทุ่มก็ไม่ทราบผมตกใจตื่นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนของหนักตกที่พื้นดินผมนิ่งฟังแล้วก็คิดว่าลูกตาลบ้านเราเอ๊แต่บ้านเราก็ไม่มีต้นตาลต้นมะพร้าวนี่หว่าแล้วอะไรมันห ล, ล่นล่ะไอ้ปืนกับอี ด, ด่างเห่าแล้วนกกูก้ก็ร้องอยู่อีกอย่างหัวค่ำพอดีเสียงนกแสกบินร้องเสียงยาวกรีดหัวใจไปที่วัดผมใจเย็นวาบ แล้วก็มีเสียงคล้ายกับเสียงนกเล็กๆร้องแต่นกบ้าอะไรมันมาร้องกลางดึกแต่ฟังไปฟังไปมันก็เป็นเสียงผิวปากผมถึงกับชาไปทั้งตัวไอ้ปืนอีด่างนี่ส่งเสียงหอนกันเกลียวกราวเจ้าประคุณเอ้ยผมแทบขาดใจอีแฟนมาแน่ๆโอ้ยตายหาละมันบอกให้ผมแอบไปคุยกับมันบ้างผมหนาวเหมือนจับไข้ไม่มีเสียงใครในบ้านเลย เสียงผิวปากเรียกอีกดังสลับกับเสียงหมาหอนลงท้ายก็มีเสียงแหลมๆเล็กๆดังขึ้นพี่พุกพี่พุกอีแฝงเรียกแต่อย่างไรเสียพี่พุกก็ไม่ขานอย่างแน่ละผมถึงกับงอตัวขดเกือบจะเป็นวงกลมอย่างงูอยู่แล้วพี่เรืองพี่เรืองมันวกกลับมาเรียกผมโอ้ยผมใจจะขาดตายซะให้ได้แล้ว รีบพลิกหน้าลงกดกับหมอนกลัวปากเจ้ากรรมจะดันขานรับลงไปหมาหอนสำทับอีกเจ้านกแสกบินร้องกลับไปทางวัดอีกเสียงร้องเรียกนั้นเสียดยอดอกเรือนทั้งเรือนเงียบกริบเงียบจริงๆจนได้ยินหัวใจตัวเองเต้นผมอาจจะคลางออกมาบ้างโดยไม่รู้ตัวทนนอนขดตัวทรมานใจแล้วก็มีเสียงเด็กเล็กๆร้องอุ้แวอู้แวอยู่ข้างล่างผมแทบตะโกนด้วยความจะเป็นบ้าอยู่แล้ว ทรมานอยู่ในความกลัวจนสว่างคาตายังไม่กล้าจะลุกจากที่นอนได้จนได้ยินตากับพี่พุกตื่นขึ้นพร้อมกันแล้วจึงแกล้งทำเป็นตื่นขึ้นบ้างคล้ายกับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเสียงพี่พุกถอนหายใจอย่างหงุดหงิดคุณตาไม่พูดอะไรรีบล้างหน้าแล้วนำน้ำไปให้ยายล้างบ้างซึ่งมีกระมังรองรับ ตัวผมเองก็รีบโดดเข้าครัวติดไฟหุงข้าวต่างคนต่างไม่พูดเรื่องเมื่อคืนกันเลยคล้ายกับว่าต่างคนหลับสนิทไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ว่าดูสีหน้าก็เห็นว่าไม่มีความสุขเลยแม้แต่คนเดียวผมแอบไปเรือนลุงโนดหายไปนานแล้วไอ้เรื่องมาบ้านก็เลยเอาเข้าอีกลุงโนดพูดอย่างสะทกสะท้านฟังไปแล้วตามที่ลุงโนดพูดมันก็เป็นผมนี่เองที่จูงเอายีแฟงมาอารวาสฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วลุงฉันก็กลัว ผมสารภาพบนบ้านเองเขาพูดว่ายังไงกันมั่งละ่ปะป้าออมถามไม่มีใครพูดอะไรเลยป้าดูมึนๆอึมครึมยังไงพี่คนผมพูดไปตามที่สังเกตเห็นเขาก็คิดว่าเองอะ่ะพาเอาอีแฟงมาน่ะสิเขาจะไปคิดอะไรละ่ะก็มันหายไปนานแล้วอยู่ๆเองกลับมาอีแฟงมันก็กลับมาผมได้ฟังคํานี้ถึงกับนิ่งอันมันเวรกรรมอะไรของผม สำหรับตัวของผมเองผมไม่ได้ชอบแบบนี้เลยผมกลัวแทบจะมุดเข้าขวดเข้าหายอยู่แล้วกลับจะเป็นผู้นำความยุ่งยากมาสู่บ้านผมกลับขึ้นไปร่วมวงรับประทานข้าวกับพี่พุกแล้วก็ตาด้วยความหงอยเงาส่วนอาหารการกินของคุณยายนั้นคุณตาจัดไปให้แล้วเรียบร้อยในระหว่างกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั้นพี่พุกก็พูดขึ้นว่าเรื่องเว้ยที่ดินที่เองว่าใครจะยกให้น่ะเขาจะให้เมื่อไหร่วะ พี่ภุกพูดแต่ว่าตานิ่งเฉยเปิบข้าวกินเฉยๆถ้าไม่มานี่ซ่าก็คงจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะผมตอบมันควรรีบรัดกระวีกระวาดช้าไปเกิดไม่ให้จะอดนะเว้ยพี่พุกว่าผมชักสงสัยใจพี่พุกเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาทําไมพี่พุกพูดแบบนี้เจตนาก็เหมือนอยากจะให้ผมรีบเร่งออกไปจากบ้านหลังนี้ซะเร็วๆ ความจริงผมก็อยากไปอยู่หากเกรงชาวบ้านจะนินทามาคืนเดียวก็กลับแล้วฉันก็อยากได้ที่นั่นอยู่เหมือนกันนะแต่บังเอิญยายเจ็บฉันก็เลยต้องมาผมพูดเข้านั่นก่อนเพื่อลองเชิงดูว่าเขาจะมาไม้ไหนโอ้ยยายเองน่ะแกไม่เป็นอะไรมากหรอกใกล้จะหายแล้วละคุณตาพูดขึ้นบ้าง ผมรู้ทันเลยว่าตากับพี่พุกตกลงกันไว้แล้วว่าจะพูดอย่างไรกับผมดีที่จะรีบให้ผมไปให้พ้นบ้านเรื่องเมื่อคืนยายเองจะกลับหนักลงอีกคุณตาพล่องออกมาแดงแจ๋เลยยายเองเจ็บก็เพราะเรื่องนี้พ่อจะหายมันก็มามีอีกที่พูดพูดกันนะ่ะไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยไล่เองนะเรื่องแต่ว่าห่วงอาการของยายกลัวยายจะซุดลงอีกพี่พุกพูดอย่างตรงไปตรงมาก็ดีเหมือนกัน จะได้พูดกันอย่างตรงตรงไปเลยฉันคิดจะไปอยู่วันนี้แล้วเชียวถ้ายายค่อยยังชั่วแล้วฉันก็เปิดแน่ทนไม่ไหวอย่างเมื่อคืนเนี่ยฉันก็เลยจะขอไปซะตอนเช้านี่แหละบ่ายเย็นฉันไม่กล้าจะเดินทางซะแล้วผมเอาเข้าตรงๆเลยไม่พูดอย่างยักย้ายอะไรกันละเออดีดี ด, ดีเองก็มีงานมีธุระของเองอยู่ไม่เป็นไรหรอกวะยายเองก็ค่อยยังชั่วแล้วตาพูดอย่างหมดเลือกเหมือนกัน ตกลงผมอิ่มข้าวแล้วก็แต่งตัวแล้วก็เข้าไปกราบลายายอ้างว่าต้องรีบกลับเพราะว่าทิ้งงานเขามามันจะมีความผิดแล้วก็พูดอะไรอะไรหลายคาพอไม่ให้ยายเสียใจพอลายายแล้วก็เลยไปลาลุงโนดกับป้ากระออมผมหิ้วกระเป๋าออกทุ่งก็นึกลงอนิจจังตัวเองกลับมาบ้านได้จะดีอกดีใจกลับเป็นถูกไล่กลับเพราะความจำเป็นที่เกิดขึ้น ก้าวขาพ้นเขตบ้านน้ำตาก็ไหลเหมือนคนที่จากบ้านครั้งแรกที่เริ่มแเนจรผมไม่ยอมเดินกลับทุ่งเดิมผมวกไปทุ่งหนองตาโรโแล้วจะตัดออกพาชีโน่นขึ้นรถไฟที่นั่นกลับทางเก่าใจมันไม่ดีแต่ก็คิดเหมือนกันว่าผีนะ่ะลงจะตามไปก็ได้ทั้งนั้นมันกลางวันแสกพอจะสู้ดอกใจสังเวชตัวเองวาดสนาไอเรื่องนในไอเรื่องจะต้องจอไปอีกกี่ร้อยกี่ตำบล ลาละวะอีแฟงวาดสนากูมันต้องเร่ร่อนขณะนั้นเหมือนกลิ่นอะไรเน่าๆลอยมาเล่นเอาชะ ง, งักแต่มองไปข้างหน้านู้นมีพวกเลี้ยงควายอยู่หลายคนก็เลยใจชื้นก้มหน้าเดินต่อไปจนกว่าจะถึงบ้านพาชีและนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะที่ไอ้เรืองได้กลับบ้านไปเยี่ยมคุณยายค่ะหลังจากที่ทราบว่าคุณยายนิบ่วยนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วคุณยายป่วยก็เพราะว่าผีอีแฟงอลาวาสนั่นเองค่ะ ส่วนตอนหน้านะคะเรื่องของครูเหมเวชกรค่ะบีจะมาเล่าเรื่อง ผู้วิเศษให้ฟังซึ่งก็จะมีคุณสมัยนะคะแล้วก็ในนพสโมสรวัดระครังเนี่ยถ้าใครที่ติดตามตอนก่อนหน้านี้ที่ไปดูผีคุณอะไรนะคุณขาวแล้วก็คุณสมพรนะคะก็คงจะรู้ว่าคุณนพกับคุณสมัยเนี่ยคือใครนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการอัปเดตคลิปใหม่ๆ แล้วก็จะได้ไม่ต้องพลาดตอนต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ